ก็ดังดีแทะอัมดังไม่ยอมหยุดเนาะใครเคยสวดบ้างเนี่ฮะใครเคยสวดบ้างใครเคยสวดบ้างทำไมสวดได้ดีแทะฮะ <c oughs> ให้ตะโกนให้ดังๆสวดดังๆมันจะได้อานุภาพแผ่ไปได้แสนโกดจักรวาลตัวเคยเห็นอาจารย์กิรวา์ท่านสวดไหมโอ้ยตะโกนเอาตะโกนเอาตะโกนเอาเอา <c oughs> สียงนดังด้วยใส่ไม้อีกตั้งห่าอีกแล้วสวดเล้สวดอยู่ใกล้ๆเสียงเราไม่ไม่ทันไม่ไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงท่าน <c oughs> <c oughs> อธิตตะปริยยสูตรแสดงแก่พวกชนินสามพี่น้องธรรมจักแสดงกับปัญจวัคคีอนัตตะลักขณสูตรที่เราสวดจบไปนี่แสดงแก่ปัญจวัคคีที่ป่าอิสิปัตึกนนะมรกขายวันธรรมจักกับ พระวัตนสูนั้นเป็นเทศกันแรกของพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงแสดงเป็นปฐมเทศนาที่ปาอีสิปัตนะมริกทายวั น, น ที่ปายสิปตนามริกระทายวันแขวงเมืองพาราณสีก่อนที่พระองค์จะไปเทศปโปรดปัญจวัคคีหลังจากโพรงได้บรรลุธรรมพูที่เจ้าท่านได้บรรลุธรรมที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมราชครึแขวงเมืองราชครึกเมืองราชครึก บุเวลาเสนาลิคมมนุรธรรมที่นั่นที่ต้นโพพุทธคยาทุกวันที่ปริอินเดียถ้าใครเคยไปนั่นแหละต้นโพตรงนั้นแหละเป็นต้นโพธที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้คือรู้ธรรมรู้ธรรมที่ไม่เคยมีใครบอกใครสอนมาก่อนธรรมที่ไม่เคยมีใครบอกใครสอนมาก่อนก็คือหลักของอริยสัจ4 หลักของอริยสัจสีมีเหตุกับผลเหตุหนึ่งนำทุกมาให้อีกเหตุหนึ่งนำสุ ข, ขมาให้เหตุนำทุกมาให้คือสมุดไทยสมุดไทยศาสตร์กามตันหานภาวะฐานฐานวิภาวะฐานฐาเราสังเกตตันหาเราไม่ต้องไปไล่กามตันหาคืออะไรภาวะฐานฐาคืออะไรวิภวะฐานฐาคืออะไร ขอให้เราสังเกตความอยากเดี๋ยวเราจะเข้าใจอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้หมายถึงสิ่งของอยากมีมีลาบมียศมีเกียรติอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตคือพอคือตัณหาตัณหานี่ก่อตัวให้เกิดทุกข์ เกิดกองทุกเหตุเป็นสมุทยัยเป็นเหตุร่างกายของเราทุกคนนี่นี่ถือถือว่าเป็นกองทุกขแล้วก็เป็นตัวผลกายของเรากับจิตของเราเนี่เป็นตัวผลผลเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากเหตุคือตัณหาตัณหามันผลิตลมาตัณหามันผลิตกายของเราตัณหาผลิตกายจริงหรือ เราย้อนไปดูในท้องแม่เราย้อนไปดูในท้องแม่กว่าจะตันหากว่ากว่าก้อนเลือดก้อนเนือ้อจะไปอวบในท้องแม่ต้องอาศัยความอยากในหัวใจของพ่อกับแม่ประกอบการเจริญพันธ์เห็นไหมเจริญพันธ์ด้วยอะไรด้วยอำนาจของตันหาเห็นไหมเกินตันหาไปได้ไหม เนี่ยพราะงร่างกายคือตัวทุกข์คือก้อนทุกข์ตัณหาอันนี้คือตัณหาใหม่นะตัณหาที่เป็นรู ป, ปรธรรมได้มาจากพ่อจากแม่อาศัยธาตุดินน้ำลมไฟจากพ่อจากแม่ประกอบกันในท้องแม่แล้วแล้วอะไรเป็นพลังของอะไรที่มันส่งมาประกอบก็ตัณหาในใจของพ่อของแม่ท่านมีความอยากไหม ก่อนที่ท่านจะทําธุรกิจอันนี้ขึ้นมาท่านมีความอยากไหมกว่าจะปลูกต้นชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนขึ้นมาพ่อแม่ช่วยกันปลูกตั้มขึ้นมาเนปะ็นน้ําใสใสเป็นน้ำข้นขนเป็นน้ำนนนํำรังเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนือ้อเจริญเป็นปัญจาสาขามีหัวมีแขนมีลําตัวมีขาครบแปดเดือนเก้าเดือนก็ออกมานี่ร่างกายของเราจึงเป็นผล ตัณหาเป็นเหตุตัณหาในใจของพ่อของแม่ได้รูปได้รูปธรรมแต่ตัณหาในใจของเราเองมันส่งเรามาเกิดนี่คือตัณหาเก่ารูปธรรมของเราเนี่ยได้ตัณหามาจากมาจากพ่อกับแม่แต่นามธรรมาของเราเนี่ยตัณหาส่งมาเกิดเกิดตามบุญตามกรรมใครมีบุญควรจะได้ พบชาติที่ดีก็ไปเกิดในพบชาติที่ดีใครควรจะได้พบชาติยังไงก็จะได้เป็นพบชาติางั้นตามคุณสมบัติที่สั่งสมอบรมมาอันนี้คือที่มาของจิตที่มาของจิตมาด้วยพลังของตัณหาตัณหามากับผู้รู้ของเราเห็นไหมเราเห็นฤทธิเดชของตัณหาไหมเพราะฉันเราพูดได้ว่ากายของเราเป็นตัวผลจิตของเรานี่เป็นตัวผลมันเป็นตัวผลที่ เหตุมันส่งออกมาแล้วทีนี้เวลาเราจะดับเราจะดับกองทุกขคือกายกายก้อนนี้เราจะดับอะไรเราเห็นคนกระโดดติดตาเราเห็นคนขมัดคอตายมันเ้าเรียกว่าดับทุกไม่ถูกที่ดับทุกไม่ถูกที่ดับไม่ถูกเหตุของมันเหตุของมันต้องไปดับตัณหานอนแต่มัน ด, ดับมามัดคอตัวเองตายเนี่ย ยิ่งมัดคอยตายสลายยิ่งบาปกรรมเพิ่มเติมเข้าไปต้องไปตัดกิเลสในหัวใจของเราทั้งกิเลสใหม่ทั้งกิเลสเก่ามันส่งเรามาต้องไปตัดตั ว, ต, วตัวกิเลสนั่นถึงจะมาระงับดับกองทุกตัวนี้ได้ร่างกายเป็นตัวทุกจิตใจเป็นตัวทุกเพราะมีตัวกิเลสเต็มแปร่อยู่ในนั้น นี่คือพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้อริยสัจสี 4, ทุกสมุทยัยการที่พระองค์ทรงขวนขวายจนเป็นเหตุให้ตกช่องตกทางหลักของเหตุกับผลอันนี้นั่นเป็นมักเป็นทางดำเนินพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีแบบแผนตรับตำราเหมือนอย่างเราเนี่ยท่านอาศัยบุญญาบา ร, รมีทุ่เอาด้วยมือจริงๆ หากแต่ว่าบุญญาบา ร, รมีท่านมากพอท่านทะลุทะลวงไปได้ไม่มีกองแบบแผนตำรับตำรามาดูมาศึกษาเหมือนเราไม่มีศึกษาก็ศึกษาเรื่องคมภีพรามยุคนั้นสมัยนั้นไปบำเพ็ญทุกขระกริยาไปบำเพ็ญอัตตกิลมันฐานยอก็บำเพ็ญตามธรรมเนียมของพรามไปบำเพ็ญให้เกิดสมาธิสมาบัติก็ตามธรรมเนียมของพรามในยุคนั้น มอนดูอย่างอาจารย์ของท่านอุทกดาบทอลาระดาบทท่านได้รูปปัสมะบัติรูปปสมาบัติคำว่ารูปอรูปรูปสมาบัติอรมปสมาบัติเป็นความละเอียดลึกของความสงบของใจพิจารณาสิ่งที่เป็นรูปเป็นอารมูปปัสมาบัติพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมพิจารณาอากาศพิจารณาวิญญาณพิจารณาสัญญาเนี่ยพิจารณาสิ่งที่ละเอียดที่สุด แต่ไม่ได้พิจารณาให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงออกไปไม่ได้ติดค้างอยู่ตรงนั้นแหละเพราะบุญญาบา ร, รมีไม่มีไม่ได้สังสมบุญเหมือนเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านส่องไปสองมาส่องมาสองไปท่านเลยบรรลุคุณวิเศษอันนี้โดยไม่เคยมีอาจารย์องค์ไหนสอนอคือหลักอริยสัจสีนี่เองอริยสัจสี่ทำให้โรงเป็นพระพุทธเจ้าทําให้พุทธชนเป็นอริยชน อริสัจสีทุกสูไทยนิโรธมาพวกเราจำง่ายๆแต่ขอให้เราพยายามเข้าใจกันแล้วกันเราเข้าใจเราจะดับดับทุกถูกที่เราจะดับทุกถูกที่ไม่งั้นเ ร, เราดับไม่ถูกที่ก็เมือนอย่าเราทุกแล้วเกินทุกแล้วเกินไม่ใช่กายทุกแต่ใจมันทุกแต่เวลาไปสังหารสังหารกายตัวเองโดดถึกตายแน่ <Okay. S 1> เขาคิดว่าตัดเข้าตายแล้วก็จะพ้นทุกโอ้ยิ่งทุกเพิ่มเติมอีก ม, มากมาย ทำอันตร์วินิบาตถือว่าทุกข์มากทุกทุกทุกเติมทุกเพิ่มทุกเติมการฆ่าตัวตายพระเจ้าท่านจึงห้ามห้ามฆ่าตัวตายเป็นบาปเป็นกรรมคือดับทุกข์ไม่ถูกที่แล้วก็กิเลสตัณหาเกิมากกว่าเดิมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะเราดับไม่ถูกก็เหมือนก็เหมือนเหมือนเราพยายาม จะฆ่าคนเราจะระงับดับความโมโหตรงนี้เราจะดับอะไรเราก็จะต้องสงบระงับความกโกรธนั่นอันนั้นคือพิษสอของตัณหาตัณหามันแสดงขึ้นมาโกรธโกรธโกรธโกรธโมโหโกรธพยาบาทจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะเอาได้สมบัติเราจะดับเราจะดับอะไรไม่ใช่เราไปฆ่าคนนั้นให้สะใจเสร็จแล้วอันนี้จะดับไม่ดับยิ่งทุกข์เพิ่มเข้าไป ต้องดับความโกรธนี่แหละโกรธด้วยเรื่องอะไรก็พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็หยุดหยุดโกรธนี่ดับต้องดับตอกเหตุให้เกิดทุกข์เราไปดับตัวทุกข์ดับไม่ถูกที่ลูกพระเจ้าท่านทรงแสดงกับปัญชาวขี่ธรรมาจาะจักรกับพระนัสสูตรแสดงกันแรกแก่ปัญชาวขี่ที่แรกดําบิจะแสดงโอทกกดา บ, บทตร阿ระดา บ, บท แต่ท่านทั้งสองนันสิ้นไปแล้วปองหนึ่งสิ้นไปแล้วเมื่อเจ็ดวันปองหนึ่งเพิ่งสิ้นไปเมื่อเช้านี้เองโอ้ยอาจารย์ของเราทั้งสองเนี่ยพลาดจากประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่จึงเห็นบุญคุณของปัญจวัคคีย์จากตำบลอุรุเวลาเสนาณิคมคนละแคว้นไปที่นู่นแคว้นกาสีเมืองพารณาณสีนั่นอยู่ที่นู่นปัญจวัคคีย์หนีไปอยู่ที่นู่นเพราะอะไรเพราะตอนพระพุทธเจา้าเริ่มมาบํารุงร่างกายมีกําลังวังชา เพราะตอนนั้นร่างกายแย่มากแล้เดินโซซัดโซเซอร่างกายมันไม่มีอาหารเนี่ยเพราะอดนอนเอ่ยผ่อนอาหารน่ยตั้งแต่ฉันอิ่มธรรมดาธรรมา ล, ลดไปเรื่อยลดวรรณคัมวรรณคัมบรรลอดไปเรื่อยลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยจนเหลือหนึ่งเมตร <c ười> คิดดูตีลดขนาดนั้นนะหุทธเจาทรมานกายลดขนาดจนจนเหลือหนึ่งเมตรและก่อจะเหลือหนึ่งเมตรเนี่ยอาหารมันตกถึงท้องเท่าไหร่ เ, เดี่ยวหนึ่งเมตรแล้วจะมีคุณค่าอะไรทรมานจะตายแหละไม่ตายแหละเนะนี่ยจนเอ๊ไม่กำลังวังชาเราไม่ดีอย่างเงี้ยด้วยเหตุที่องค์มาดำบีเห็นเห็นทางปฏิบัติใหม่เอ๊มันน่าจะไม่ใช่เรื่องการทรมานกายมันน่าจะเป็นการทรมานใจมากกว่าพระองค์ก็เลยหันจอก็บอกมาที่ใจทรมานใจ เลยมาสวยพระกยาหารซะก่อนเพราะกําลังบางชาร่างกายมันจะไปไม่ไหวแล้วขนาดลูบเอามือลูบเงี้ยขนเนี่ยมันขนเนี่ยมันเน่าหมดมหลุดมันร่วงมาเลยมันไ ม, ม่มีอาหารกินพอมเหลือแต่ห น, นังหุ้มกระดูกใครเคยเห็นพระพุทธรูปบางทําทุกรกรกิริยาใครเคยเห็นนั่นแหละพร้อมขนาดนั้นแหละเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจริงๆงคนกําลังหนุ่มอ้วนท้วนเนี่ยเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเลยแหละเยี่ยมพระเจ้า โปรดปัญจวัคคีย์เทศธรรมจักวรรณะสูตรเทศกันแรกพระอัญญาโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ดวงตาเห็นธรรมก็คือจิตใจเข้าถึงกระแสธ ร, รรมไม่ใช่กระแสรรโลกเป็นกระแสธ ร, รรมเข้าถึงความเป็นพระอริยะบุคคลชั้นต้นเบื้องต้นกระแสธ ร, รรมก็คือหลักธรรมชาติทั่วๆไปนั่นเอง กระแสธรรมพระอัญญากกรทัญญาจิตเข้าถึงกระแสธรรมด้วยบทธรรมที่ว่ายางกินจิตสมุทัยธรรมมังจับบัตังในรสธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมหลักก็คืออันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นเองคำว่าธรรมดาธรรมดาก็คือตามหลักของธรรมชาติหลักของธรรมชาติก็คือธรรมดาจิตใจของพระ อัญญาโคนทัญญาบางคนก็เทศว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นสอนศีลพระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นสอนสมาธิญญาาหาธให้แก่ปัญจวัคคีย์โอยพวกนี้เขาไปรักษาศีลจนพอแรงแล้วสมาธิเขาได้อารูปปะสมาบัติซะอีกเขาไปสอนอะไรสมาธิเขาไม่ได้สอนขนาดนั้นก็ได้แค่พระอัญญาโคนทัญญาองค์เดียวนะได้ดวงตาเห็นธรรมวันที่สองวัา ป, ปะ วันที่สมมหานามะวันที่สี่อัศเชิโกธัญญาวะปะพัทธิยะมหานามะอัศเชิตามลําดับวันละอง์วันละองวันละองค์วันละองแต่พวกนี้หลังจากพรุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วจึงขอบวชขอบวชพอวันที่หกได้เป็นพระโสดาบันทั้งหมดขนาดนั้นก็ตามพระอัญญาโกธัญญะฟังธรรมะมาธรรมะเบ็ดเตล็จม่รู้ต้องกี่ข้อกี่อย่าง ภุมธรรมของท่านก็เท่าเดิม ถ, ถ้าอาจจะขยับอยู่บ้างไปบรรลุพร้อมกันทั้งหมดที่อนัตตลักษณสูตรเนี่ยที่เราสวดเมื่อกี้นี่ในวันที่หกวิญาทรงแสดงวันที่6ทรงแสดงทำกันที่สองคืออนัตตลักษณสูตรเพราะฉะนะครูบาอาจารย์จึงนิยมสวดมากธรรมะสองข้อนี้ยิ่งทําศาลาสร้างโบสถ์สร้างกุฏิวิหารที่ไหนเสร็จเป็นที่ใหม่ๆต้องสวดทำไมจัก ส่วนธรรมจักรถือว่าขลังมากส่วนธรรมจักรพระอัญญากนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าอุทานออกมาโอ้อัญญาสิวัตโพโกนโยอัญญาสิญญาสวัตโพโกนโยโกนโกนธัญะได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอพระองค์เทศไปด้วยตาในของพระองค์ตรองตามไปด้วยเห็นเห็นจิตของพระอัญญากนธัญะได้ดวงตาเห็นธรรม เกิดพอใจอุทานออกมาถ้าเป็นภาษาชาวบ้านชาวโลกเราว่าพอใจยินดีผลงานมีใครบ้างที่จะไม่ยินดีในเมื่อเราเอาผลงานของเรามาทดสอบกับคนอื่นแล้วมันได้ผลมันก็ต้องมีความปลื้มปิติยินดีแม้แต่พระอาหารต์ก็ท่านก็นยังอุทานออกมาคําว่าอุทานก็คือเสียงมันพลั่งออกมาด้วยความพอใจยินดีแต่มันไม่ใช่ด้วยอํานาจของกิเลสมันด้วยอํานาจของธรรม ด้วยอำนาจของธรรมพอแสดงอนัตตลักษณสูตรจบพูดถึงอนัตตาเนะี่ยรูปังอนัตตาจะคุ้งปิกเวออนัตตาโซตังจะคุ้งปิกเวออนัตตาต า, ตาก็อนัตตา หูก็อนัตตาจมูกลิ้นกายใจก็อนัตตาอันาตาเทศไปแล้วก็ถามไปปัญจวัคคีย์ก็ตอบอยู่ในบังคับบัญชาเราได้ไหมไม่ได้เมื่ออยู่ในบังคับบัญชาเราไม่ได้ถือว่าเป็นอนตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาพระเจ้าข้านอกเฮตังกันเตไม่เป็นอัตาเป็นอนัตตาพระเจ้าค่า ตอบมาเลยตอบมาเลยพอแสดงทมจบบรรลุเป็นพระอาหารทั้งหมดไม่มีเกาะไม่มีดอนที่จะหลงเหลืออยู่ปล่อยหมดจดโดยชินเชิงอาจารย์อุทกดาบดกรลารดาบดมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจดำดินบินบนได้อะไรต่ออะไรได้แต่ไม่ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักอันนี้มันเลยไม่มีช่างไม่ไม่มีช่องออกไม่มีทางออกไม่มีช่องออกไม่มีทางออก จะออกได้ต้องออกได้ช่องนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเราย้อนมาดูที่ใจของเราใจของเรานะมีตัณหาตัณหาในใจของเรามันไปกะเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันกะเกณฑ์นะเกณฑ์อยากให้สิ่งนั้นเปลี่ยนไปตามใจหวังเกณฑอยากให้สิ่งนี้เป็นไปตามใจหวังอยากให้โลกเราดีอยากให้โลกเราเชื่อฟังอยากให้โลกเราเป็นไปตามคําบอกคําสอนของเราเนี่ยอยากไปหมด พอมันไม่ได้อย่างใจก็ทุกเพราะฉะั้ความทุกวันทั้งวันเนี่ยทุกทุกเพราะต้องการแล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังทุกเพราะต้องการแล้วไม่สมหวังทุกเพราะผิดหวังถ้าเราจะพูดตรงตรความทุกจากการผิดหวังทุกเกือบทุกอย่างทุกเกือบทุกเรื่องผิดหวังแล้วก็ทุกผิดหวังแล้วก็ทุกผิดหวังแล้วก็ทุกท่านจึงไม่ให้หวัง ยิ่งหวังมากเท่าไรแล้วจะผิดหวังมากเท่านั้นแล้วเราก็จะมีทุกข์มากเท่านั้นท่านจึงไม่ให้หวังให้รับรู้ตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงนให้รับรู้อย่างนั้นให้รับรู้อย่างนั้นพวกพรามเขาอยากได้รู ป, ปรสมบัติอรู ป, ปรสมบัติเขายัางอมอัตตาตัว ต, ว ต, วตวนเต็มแปร่อยู่มันไม่ใช่อัตตานะไม่ใชอนตตานะอัตตาก็คืออัตตา อนัตตาด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอัตตาพระเจ้าค่ะเป็นอนัตตาพระเจ้าค่ะไม่ใช่อัตตาพระรู้ญาติท่านเอาความหมายตรงนี้ถ้าเป็นเราเราจะต้องบังคับได้มีอะไรสักสักสิ่งบ้างในโลกนี้ที่เราบังคับมันใชาเป็นพระจอมแกวหวังเราได้ไม่มีสักอย่างเลยเพระเาะฉะนั้นทุกสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไปเกี่ยวข้องไปผูกพัน เรายึดอะไรไม่ได้สักอย่างแม้แต่ร่างกายของเรายึดอะไรไม่ได้สักอย่างยึดตาเดียวตาก็บอดยึดหัวเดี๋ยวหัวก็หนวกยึดล้นยึดกายยึดใจใจก็ปลิ้นพลั่นกลับกลอบไปมาด้วยอํานาจของเจ้าตัญหายึดอะไรไม่ได้สักอย่างสรุปลงแล้วคือยึดอะไรก็ผิดหวังกันนั้นยึดอะไรก็ผิดหวังกันนั้นเรามาดูหยาบหยาบเรายึดอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยทุกไหมเราทุกเราเรายึดไหม อยากอ้วนอู้อ้นวนเกินไปอยากผอมแนะอยากขาวแตงอยู่นั่นแหละมีอะไรมาทําให้เกิดความหมองไปอยู่บ้าอุ้ยทุกข์ใจละเสริมอีก <c oughs> เสริมให้มันสวย <c oughs> เสริมเข้าไปละอูยสวยละเกินสวยละเกินสวยละเกินหลงติดตัวเองหลง <c oughs> อุ้ยหน้วมันละเกินจุก ป, ปาก งามแล้วเกิดสวยแล้วเกิดสวยแล้วเกินสัหน่งสั ก, นนสกนนหนึ่งทุกอีกแล้วเพราะมันสวยประเดี๋ยวประดาวก็หายสวยแล้ว <laughs> อเป็นลูกหน้าไป็ลูกตาถุงนู่นถุงนี่อ้าวหายแล้ว <laughs> ไปจิ้มอีกแล้ว <laughs> จิม้มปากจิ้มคิว้วเราดูความหลงคืออะไรอำนาจของความหลง ดูดูมันดูให้มันเห็นต่อหน้าต่อตาเราดูสะดูแล้วก็ย้อนมาดูใจดูแล้วก็ย้อนมาดูใจดูแล้วก็ย้อนมาดูใจโอ้ใจมันหลงมันหลงอย่างงี้มันหลงอะไรมันก็นยึดอันนั้นหลงอะไรก็ยึดอันนั้นหลงอะไรก็ยึดอันนั้นแม้แต่สิ่งที่ไม่ชอบใจก็หลงหลงยึดที่จะไม่เอาคือผลักออกไป อันนี้ก็คือหลงเพราะอะไรเพราะมันไม่เป็นไปตามใจชอบมันไม่เป็นไปตามใจหวังมันไม่ชอบมันไม่เอาแล้วมีอะไรบ้างที่สมใจสมหวังมีอะไรบ้างไม่มีด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านปล่อยหมดอย่างเงี้ยท่านจึงถึงบรมสุขได้พวกพรามยึดหมดยึดหมดไม่เป็นอนัตตาเ่เป็นอัตตาต้องการให้มีตัวเสวยสุข เนี่ยพุทิจาท่านปล่อยทิ้งหมดเลยไม่ต้องมีในในสุขเหลือบรมสุขถึงประมาณสุขขังเหลือผู้บอกเหลือผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการนี่คือที่สุดที่สุดของภพชาติของจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งคือการเข้าถึงธรรมขั้นนั้นระดับนั้นเราพิจารณาดูตามช่องทางที่เราศึกษาแล้วเป็นไปมันเป็นไปได้ มันเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างที่เราพูดถึงเรื่อ ง, ลองหลงักของมหาสติหลักอันนี้อยางทุกข์เอน้าตาหลักของตัณหาเนี่ยเราพยายามพันมาถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อเราเกิดความรู้กเกิดความเข้าใจพระพุทธเจ้าตอนท่านบรรลุธรรมแล้วท่านไปโปรดปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์เขาจะไม่รับที่แรก พระองค์บอกว่าพระองค์เราได้บรรลุธรรมแล้วเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราจะแสดงธรรมให้ฟังปัญจวัคคีย์แสดงกิริยาก ร, ระด้างกระเดียอเพราะเขายึดมั่นว่าถ้าตั้งใจทําอัตเตรามถานุโยคจนเดนตายเหลือเดนตายกลับมาจะต้องได้บรรลุธรรมแต่พระพุทธเจ้าท่านทําไปแล้วท่านมีปัญญาเกิดขึ้นเอ๊ะมันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่อยู่ที่กายอ่า กิเลสมันไม่ใช่อยู่ที่กายมันน่าจะอยู่ที่ใจท่านก็นเลยมาบำรุงร่างกายให้มีกําลังวังชาเขาก็เลยหนีจากพระองค์ไปพอมาพระองค์บอกว่าเราได้บรรลุธรรมแล้วนะเขาก็ไม่ปฏิเสธแต่ก็มีสิ่งแปลกแปลกหูแปล ก, ปล ก, ปล ก, ปลกตาให้เป็นที่ปรากฏพระเจ้าก็เลยต้องต้องเตือนพวกเธอเคยได้ยินไหมว่าเราพูดอย่างนี้แต่การไหนไหนแต่การก่อนๆให้พวกเธอลองนึก นึกนึกดูว่าเมื่อการก่อนก่อนเราเคยพูดคําแบบนี้ไหมดูกุฏิญาทั้งฉลาดเพื่อให้ปัญจวัคคีย์ระลึกได้เออใช่เมื่อก่อนพระองค์ไม่เคยพูดอย่างนี้ไม่เคยพูดอย่างนี้ก็เลยทนฟังด้วยเหตุที่ไม่ศรัทธาเต็มที่นั่นแหละมันถึงได้น้อยอืพวกที่ศรัทธาเต็มที่ฟังปุ๊บบรรลุ ป, ปับฟังปุ๊บบรรลุ ป, ปับอันนี้ด้วยศรัทธาน้อยความเชื่อมั่นน้อยมันก็มีกําลังน้อยก็ได้แค่นั้นวันที่หนึ่งได้เอา้า พอมีคนหนึ่งได้แล้วเป็นประจักษ์พยานแล้วคนที่เหลือก็อยากได้อยากได้เหมือนกันแหละตอนนี้พยายามตั้งใจฟังแหละตอนนี้ตั้งใจฟังเพรือฟังเพ่รืฟังเพรืได้ทั้งหมดเสร็จแล้วพอวันที่หกพระองค์ก็ทรงแสดงอนัตตละักษณ์สูตรแสดงจบได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกหกองปัญจวัคขีห้ากับใครอีกอีองหนึ่งเป็นหกองจําได้ไหม กับใครอีกองหนึ่งรวมเป็นหกพระอาหารหันเกิดขึ้นในโลกหกองอคือ น, นี้ไปครคลวนก็นกแล้วกันแหละเอ๊ระพุทจ้าแสดงอนัตตลกณะสูญจบเกิดพระอาหารหันในโลกหกองมีใครบ้างไปไล่ดูนะ ม, มีปัญจวัคคีห้ากับใครอีกองหนึ่งรวมเป็นหกคิดไม่ออก นอนตื่นก็นแล้วนอนฝันก็นแล้วนอนหลับก็แล้วคิดไม่ออกใครพอฝืน ต, ตั้งใจรับฟังได้บรรลุ ธ, ธรรมก็เริ่มได้บรรลุ ธ, ธรรมเลยแหละจนเป็นเหตุให้ได้แสดงอนัตตาลัคนาสุขเป็นเหตุให้พระอาหารหันเกิดขึ้นในโลกหกองค์ อะไรมันจะยิ่งใหญ่เท่ากับการบรรลุธรรมเราดูแต่พระัญญากรทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแค่นั้นนะโอ้เทวดาสดทวนสดทานลั่นแผ่นดินชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาเสียงสาทุการก้องชั้นจาตุมก้องไปถึงชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตเทวดาอนุโมทนา ก, อกอ้องก้องกึกก้องไปหมดเทวดาเหล่านี้เขารู้รู้โอ้ พูดดีวิเศษเกิดขึ้นอีกแล้วผู้เป็นดวงตาของโลกเกิดขึ้นแล้วคือพระรู้จิตเจ้ากับพระอาหารหันต์ในโลกผู้เป็นดวงตาของโลกเป็นผู้สามารถทําให้กองทุกข์ในหัวใจทําให้ภพชาติในใจแต่ละดวงแต่ละดวงสิ้นสุดลงเพราะแต่ละภพแต่ละชาติแบกกองทุกข์แบกกองทุกข์อะไรบ้างแล้วก็มาดูที่พวกเราแบกอยู่ทุกวัน ทุกอะไรกันบ้างทุกผิดกันทุกทะเลาะกันทุกไม่เข้าใจกันเห็นไหมนี่คือทุกมันขวางไหมมันขวางหน้าขวางตาความสุขไหมเราสังเกตดูสิเราพิจารณาดูสิเราเยินดีไหมเราพอใจไหมสมมุติเราเกิดกับเรานี่ยอยาพอใจไหมเราไม่พอใจเลยแต่สำหรับคนหลงนั้นพอใจต่อกกันสรุปเหลือเกินสนุกเหลืเกินเหมือนนั่งมวยก็ชกกันเล สนุกแล้เกินสนุกเจีบปวดช่างมันสนุกแล้วเกินสนุกแล้วเกินคนผ่านเห็นความสุขบนกองทุกข์เห็นกงจั๊กเป็นดอกบัวเอากองจั๊กมาประดับคิดว่าเป็นดอกบัวนี่แหละลักษณะนี้แหละคนผ่านแต่ถ้าเป็นบัณฑิตแล้วตั้งใจตั้งใจทำได้อาจได้ทาได้ผลเทวดา อันโมทนาคือกล่องสะเตือนสถานลั่นนี่คือเทศกันแรกมีครูบาอาจารย์บางบอกของท่านบ่าโอพระพุทธเจ้าเทศกันแรกเกือบไม่ได้อะไรเลยโอ้เราฝังเราสะดุ้งเลยมันเหมือนกับอะไรจะหลุดไม้หลุดมือไปเหมือนอะไรจะหลุดไม้หลุดมือไปโอ้พระพุทธเจ้าอุษาตรัสรู้มาเป็นศา ส, ะสะดาอกของโลกแสดงเทศกันแรก เกือบไม่ได้อะไรเลยท่านใช้ก็ว่าเกือบไม่ได้อะไรเลยได้พระอัญญาโกลยัญหนึ่งองค์เราก็มาคิดตามหลังว่าอ๋ อ, อก็ลูกศิษย์มันยังไม่ฉลาดแต่ภูมิรู้เหล่านั้นพระศาสดาก็อมอยู่เตรียมแป ร, แรในหัวอกของท่านท่านจะไปวิตกอะไรใครมีบุญมากน้อยใครได้ก่อนใครได้หลังก็บุญของเขา ไม่ใช่เราไปทุ่มใ้เขาได้ทั้งหมดที่ไหนเพียงแต่ชี้แนะเขาเท่านั้นเองเขามีหน้าที่ที่จะโน้มใจไปตามจนเป็นเหตุให้คิดเข้าถึงกระแสธรรมได้ไม่ใช่จิตของเราเราเป็นแต่พวกเราเป็นแต่เพียงพูดชี้นำเท่านั้นเองเราพูดชีน้นํานี่นตัตตลักษณคณะสูตรพระองค์ปฏิญาณว่าพระองค์เป็นพระอาหารหันต์เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะ เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะด้วยเหตุที่พระองค์มาเ ห, เห็นแจ้งในทุกสแสดงกับปัญจวัคคีย์นะเมื่อก่อนนั้นพระองค์ไม่เคยเห็นทุกเห็นสมุทยัยเห็นนิโรธเห็นมรด้วยเหตุที่พระองค์มารู้เห็นทุกสมุทยัยนิโรธมรด้วยลักษณะสามอาการสิบสองสามสี่สิบสอง ฉันอยากเห็นทุกเกิดยานทัศนารู้ว่าโอ้นี่คือกองทุกขเห็นว่ากายนี่คือกองทุกขมียานเกิดขึ้นอีกกายทุกกองทุกกองนี้ควรกําหนดรู้เกิดยานทัศน์อีกกองทุกที่เราว่าควรกําหนดรู้เนี่ยเรากําหนดรู้แล้วนี่นี่คือรอบหนึ่งสมุทัยก็เช่นเดียวกันทําให้พระองค์เกิดยานอย่างรู้ว่าโอ้นี่คือสมุทยัยเหตุใดเกิดทุก มียาสืบเนื่อง ม, มาอีกว่าเหตุให้เกิดทุกข์หนึ่งเราได้ละแล้วอเหตุให้เกิดตุกขเราได้ได้ได้ละแล้วเราควรละเหตุให้เกิดทุกข์หนึ่งควรล ะ, คนคนครละมียาเกิดขึ้นต่ออีกว่ะเหตุให้เกิดกองทุกข์หนึ่งควรละเราละได้แล้วเนี่ยมันจบมันจบไปเลยมันเสร็จมันเสร็จไปเลยสามสี 3, 4, ร่รวมเป็นสิบสองเขาเรียกว่าอาการสิบสอง อรอบสามรอบสามอาการ1 2รอบสามก็คือแต่ละข้อแต่ละข้อมีสาม 3. รู้ว่านี่คือนิโรธมียานอย่างรู้ว่านี่เป็นนิโรธแล้วก็รู้อีกว่านิโรธควรทำให้แจ้งมียานเกิดขึ้นอีกว่านิโรธควรทำให้แจ้งทำให้แจ้งแล้วจบอีกอรู้ว่านี่เป็นมรมียานรู้ว่าเป็นมรมรคนเจญให้มาก มีญาณอย่างรู้ว่ามักควรเจริญมีญานสืบเนื้อมีว่าเจริญเต็มที่แล้วจบอาการ32สองปราบได้ที่พระองค์ไม่รู้อาการสรอบ3อาการ12นี่พระองค์จะไม่ปฏิญาณตวนว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะนี่ในเนื้อหาใจความที่เสดให้ปัญจวัคคีฟังเราไปเปิดดูคําแปรเราจะเข้าใจเนื้อหาที่เสดให้ปัญจวัคคีฟัง มันเป็นการมาประกาศเป็นประจักษ์พยานว่าพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมด้วยเหตุพระองค์เห็นอะไรบ้างที่พระองค์ได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะก็เพราะว่าพระองค์มาตรัสรู้หลักอริยสัจสีนี้เองคาว่าตรัสรู้คือรู้คือบรรลคุคือถึงเผากิเลตัญหาจนเหือดไปแห้งไปจนหมด เราดูวันที่พระองค์ตรัสรู้ด้วยตั้งแต่หัวค่ําำพระองค์ก็ได้ยานปุเพนวาสานุสติยานาะายา น, นะระลึกชาติพบชาติของพระองค์ได้ไม่มจีจุดจบไม่มีที่จบในยามถ้ำกลางราลึกถึงภพชาติของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าจุตูปปาติยานทีนี้พอปัดจิมยามยามสุดท้ายทําใหพ้พระองค์พิจารณาไล่ หาว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทําไมมันเกิดตายเกิดตายมากมายนักหนารวมทั้งเรารวมทั้งสัตว์ทั้งหลายในโลกย้อนไปย้อนมาไล่ไปลไปลไป่หมายมาย้อนไปย้อนมายย้อนหมายย้อนไปด้วยเหตุที่เรามีสติมีสมัมปชัญญะมีปัญญามีสติมีสมาธิมีปัญญาหมุนด้วยตะปะทำแผ่เผากิเลสตัณหาในหัวใจพยายามสุดท้ายแห่งราตีทําให้พระองค์ได้อาสวัขยญายานะมียานอย่างรู้ว่า อาสนะอาสะวะคือกิเลสในพระไชยความรค์มันเหือดไปไปมันแห้งไปจนหมดเหลือแต่จิตผู้รู้ที่บริสุทธิ์นี่ทำรห้จักรเหมือนกับเป็นการมาประกาศว่าวิธีการที่พระาได้ตรัสรู้ได้ตรัสรูแบบไหนวิธีไหนปฏิบัติยังไงถ้าพระองค์ไม่ไม่ได้ปฏิบัติเห็นช่องของอริยสัจสี่ก็ไม่มีช่องออกไปอริยสัจสีก็เป็นเหตุกับผลเท่านั้นสรุปลงมาเป็นเหตุกับผลสองอย่าง เหตุอันหนึ่งเพื่อให้เกิดทุกข์เหตุอันหนึ่งเพื่อให้เกิดนิโรธคือมรรคเป็นเหตุให้เกิดนิโรธสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดกองทุกข์เมื่อกีก้อธิบายแล้วกองทุกข์คือร่างกายของเราทั้งหมดจิตใจที่ประกอบไปด้วยกิเลสทั้งหมดนี่คือกองทุกข์ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆเกิดขึ้นอย่างเกิดขึ้นจากเหตุคือตัณหาเป็นตัวสมุทยัย การตัณหาเพราะตัณหาวิวาตันหาระะับพิจารณาอย่างนี้เราทําให้เราได้หลักได้เกณฑ์ข้างในรู้ที่ไปที่มาของจิตของเราที่รู้ที่ไปที่มาของกายของเรารู้ที่เกิดขึ้นขอ ง, ของตัณหารู้ที่ดับของตัณหารู้วิธีบําเพ็ญ เ, เพื่อดับ aneous, เพื่อลดเพื่อละเพื่อวางตัณหานีนา่เราศึกษาอันธรรมเราเราค่อยใจทาให้เรามีความเข้าใจอย่างนี้เราได้ข้อปฏิบัติเกิดความรู้เกิดความเข้าใจ อาสวะขยายานทำให้พระองค์หมดข้องใจว่าพระทัยของพระองค์เนี่ยหมดจดสมัยไปเรียนกับกับอุทกดาบุตรอลารดาบทจบรูปปสมาบัติรูปปสมาบัติแตกิเลสยังกองเต็มหัวใจเฮ่ทำไมกิเลสยังกองเต็มหัวใจอยู่ไม่ใช่ยังไม่จบมันต้องมีวิธีอื่นที่จะทำให้จบลงไปได้อนี้ยังไม่จบมองไป ความเสียใจความน้อยเนื้อต่ำใจความตกกังวลวิตกกังวลอะไรแต่อะไ ร, ะะไรสรารพัดที่มันมีอยู่ในพระไถยของพระองค์ทําไมกองทุกยังเต็มแปรอ ย, อยู่ในหัวใจของเราไม่ใช่อพอไปถึงอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาโลดปล่อยได้หมดวางได้หมดบรรลุอาสวัขยญายามันมียานอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมารู้ทําได้รู้ว่าโอ้อาสวะคคือกิเลส ที่หมักดองพระไทยของเราหนึ่งเหงแห้งหายไปเหลือแต่พระไทยที่บริสุทธิ์จนเป็นเหีห้ยพระองคภูมิใจกล่าวเป็นปฐมภาษีเยอะเยยตัญหานี่โ้เจ้าตัญหานี่เจ้าเคยสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างพบสร้างชาติให้กับเราตอนนี้เราเห็นหน้าเจ้าแล้วเราดึงตัวเจ้าออกหมดแล้วถ้าเป็นบ้า น, นดึงเสาออกดึงกรอนออกดึงนุนออกดึงนี้ออก ต่อไปนี้เธอไม่สามารถจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างพบสร้างชาติให้เราได้อีกแล้วเราเห็นหน้าเห็นตาเธอแล้วเยอยตันหาอันนี้เคชาติที่สร้างซารังสันธาวิสร้างอานิพิสร้างคห์คารัางคเวสันโตดูข้าชาติพุนัปปุนังความทุกข์ทั้งหลายเกิดเกิดร่ําไปเกิดที่ไรก็ทุกข์ร่ำไปเกิดบ่อยครั้งก็ทุกข์บ่อยครั้งทุกข์ร่ําไป ทุกข้าราชาติปนปนนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกับอนัตตลกคณะสูต ร, <c oughs> รเพราฉะนัวิธีการทำวิธีการทำวิธีการทำพระองค์ก็ทรงมาสรุปลงที่อริยอริยมรมีองค์แปดนะะอริยมร ม, มองค์แปนี่ก็มีอยู่ในธรรมจัก สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวแต่หนังสือที่เราส่วดนี่เขาเขาไม่มีไม่มีที่จบไม่มีจุดค่อมเราก็เลยจบยากไม่รู้ว่ักลุกไม่รู้วักโนตตอนไม่มีวักตอนและจบยากมันไม่มีตัวค่อมตัวลูกน้ําออืมอืมม สัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา ส, ส, ม, ม, าส ม, มาธิอริยมรรคมีองค์แวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อให้เข้าหลักกับอริยสัจสก็ต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์แอริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่มรรคแนะองค์ประกอบรวมเป็น8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรตเป็นเรื่องของปัญญา สัมมาวายาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวนี่เป็นเรื่องของศีลกํากับด้วยศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นเรื่องของสมาธิแต่เวลาไปเรียงก็ศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นขั้นเป็นตอนเอาศีลขึ้นก่อนสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะศีลมันสามารถห น, นุนสมาธิได้สมาธิเอาไปทํางานป ร, ระสาประสานกันกับปัญญา สามารถหนุนปัญญาได้ศินหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาหนุนคืออะไรหนุนเพื่อที่จะมาหมุนอยู่กับหลักอริยสัจสีนี่แหละกําหนดทุกย้อนไปดูสมุทัยกําหนดทุกแล้วก็ย้อนไปดูสมุทัยเราลองกําหนดร่างกายกําหนดดูกายกายนี่เป็นก้อนทุกเรากําหนดดูกายแล้วก็ย้อนมาดูสมุทัยที่จิตนี่มันเข้าหลักแล้วเข้าหลักอริยสัจสีแล้ว กำหนดดูกายยอ้อนมาดูที่จิตย้อนมาเพื่อที่จะเห็นตัณหาตัณหามันเกิทดที่จิตไม่อยู่ที่จิตเป็นอมูมันเป็นรวงเป็นรังของมันนั่นแหละอยู่ในใจของเรากำหนดดูกายย้อนมาดูจิตกำหนดดูจิตแลว้วก็ย้อนมาดูที่จิตน้องตาท่านให้ประสะประสานไปประสะประสานมากำหนดกายแลว้วย้อนมาดูที่จิต ก็มาที่จิตหรย้อนมาดูที่กายก็มาที่กายแล้วก็ย้อนมาดูเวทนาย้อนมาดูที่จิตก็มาดูจิตหรอกก็ย้อนไปดูเวทนาลองทําดูได้ทําได้ไหมลองตั้งใจทําดูดิเราทําไปทําไปแล้วมันคล่องตัวสะดวกสบายมากเลยนะอันนี้เป็นชัยสมรภูมินี่เป็นชัยสมรภูมิเห็นหน้าเห็นตามันง่ายๆเลยแหละเจ้าตัวตันหาเนี่ย ผลอมาเพิบเพิ่บเพ่บ ป, บปะทะกันเลยผลอมาเพิบเพผลอมาเพิบเพ <ละ S 2> บ, บ, บไม่ใช่พิบเพิบเดียวแล้วก็ได้เลยอย่างคําว่า น, นี้รอดนี่รอดนี่รอดนะดับแล้วดับอีกดับแล้วดับอีดับแล้วดับอีดับแล้วดับอ <uffy> ีจนกว่าจะจนกว่าจะหมดจนกว่าจะหมดไม่ใช่ดับพิบเดียวแล้วก็หายไปเลย แต่เราทำงานเราทำสั่งสมอบรมมาเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานที่ยาวนานคุณสมบัติในใจก็ย่อมมีมากขึ้นฮึบเดียวหมดเลยก็ได้คือบางอย่างที่ท่านฟังทำต่อหน้าพุทธเจ้าฮึบเดียวก็หมดเลยฮึบเดียวก็หมดเลยอันนั้นหมายความว่าท่านมีบุญมันเหลือมันเหลือเหมือนกับอะไรมันติดค้างอยู่ในในสายตาเรานิดหน่อยพุทธเจ้ามาขี่ให้ สว่างโร่ขึ้นมาทันทีเคลียให้นิดหน่อยสว่างโร่ไ้เลยเพราะมันมันจะหลุดแล้วถ้าเป็นผลไม้สุกมันก็จะหลุดจากขั้วแล้วมีคนไปเขยา่าก็เท่านิดหน่อยตึ๊บตกไปแล้วกำหัดทุกย้อนมาดูสมุทัยที่จิตแล้วก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยลองหมุนดูลองหมุนดู หลักอันนี้เป็นหลักของการพิจารณาเป็นหลักวิปัสสนาเป็นหลักมหาสติปัฏฐานถึงคราวกําหนดให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์เดียวเรากําหนดเข้าไปพุโทโธพุทโธกําหนดเข้าไปถึงคราวมาพิจารณาก็พิจารณาแบบนี้ลักษณะแบบนี้ค่ะเดียวพิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้เป็นหลักของการพิจารณาไม่งั้นเราจะตีบตันนะปัญญาจะเกิดขึ้นเองก็ไม่ได้ต้องฝึกต้องซ้อมต้องฝึกซ้อม จริงอยู่จิตที่มีความสงบนั้นสามารถรู้ได้ตามเป็นจริงก็เหมือนอย่างเราอยู่ในที่นิ่งๆน่เราสามารถมองเห็นอะไรชัดเจนไม่เหมือนเรานั่งรถเรานั่งรถดูเราดูอะไรรอบข้างข้างทางเราดูออกไหมไม่รู้เป็นคนหรือเป็นต้นไม้เป็นอะไรก็ไม่รู้เพาเพราะพรามันดูถ้าจิตสงบนิ่งเหมือนรถจอด เห็นอะไรก็เห็นชัดเจนไปหมดเพราะยะนันสมาธิจึงมีพลังสมาธิจึงมีกําลังสมาธิคือความสงบมีความสงบพอแล้วก็ไปเจริญวิปัสนาเจริญวิปัสนาน็ตเน็ตก็เข้าสู่ความสงบมีความสงบเพียงพอก็พิจารณาวิปัสนาท่านให้ทําสลับเปลี่ยนกันอย่างนี้อื ในขณะที่เราตั้งใจทํกากลับไปกลับมากลับไปกลับมาต้องจับหลักให้ได้ว่าเป็นมรรคเป็นองค์มรรคเป็นองค์ประกอบของมรรคพราะเราดับได้มันเป็นนิโรดนิโรดมันคือเป็นผลปรากฏขึ้นทุกสมุทัยนิโรดมรรคธรรมะที่เราทํายังกำเริบอยู่ยังไม่สิ้นสุดเรายึดไม่ได้ยึดไม่ได้ทั้งนั้น ยึดได้อย่างเดียวยึดมัดอบรมมัดให้แน่นหนาะมันคงยึดให้มากยึดให้มากเจริญให้มากแล้พวกนัก้ น, ววนไปพักที่ไหนพวกโยมไปแล้วพักแล้วมีามาจากบางสะพุงทันยศ เจ้าภาพพระพุทธรูปรอแล้วก็ไปไว้ที่วัด <c oughs> มาดึกให้พ้นพักไปเดี๋ยวนี้มันก็ต้องเกือบสี่ทุ่มแล้วแต่ตามโปรแกรมเราเราอยู่จนหกทุ่มนะไหวไหมฮะไปไหมเหยียดซ้ายเหยียดขวาแล้วเนี่ยไปไหมถ้าในรเศรษิีทั้งคืนแล้วเป็นไงอ่ะนะ อริยสัตวี่มันจะขึ้นมาสักคอเปล่าทั้งท่านมันโผล่มาต่อหน้าต่อตาแท้ๆเราไม่ยอมดูมันเราไม่ดูมันนะให้เราเข้าใจแล้วทําให้เปลี่ยนหลักอริยสัตวีในธรรมจรรักรดูแล้วก็พยายามทําให้เข้าใจเพราะตรงนี้เป็นสนามฝึกเป็นสนามงานนะเป็นสนามจิงชัยกับกิเลสตัณหา เราทำไปที่อื่นเราหลงง่ายๆไม่รู้อย่างหน้าตามันดอกมันสวมรอยมากับอะไรเราไม่รู้แต่ถ้าเรามันจับเรื่องเหล่านี้เห็นธรรมที่บริสุทธิ์เห็นธรรมที่ปนเปื้อนกับตัณหาเห็นธรรมที่บริสุทธิ์เห็นความบริสุทธิ์ของใจของเราที่ไม่มีตัณหาแซงเข้ามาแทรกเข้ามาเห็นมันแทรกเข้ามาทั้งเห็นทั้งไม่เห็น เพราะตรงนี้เป็นเวทีเป็นสนามรบที่จะต่อสู้กันเราเนอาไปใส่อะไรได้ทางนั้นหละแล้วน้อาไปใส่ศีลก็อยู่ในวงศีล น, น้อาไปใส่สมาธิอยู่ในวงสมาธิน้อาไปใส่ปัญญาอยู่ในวงปัญญาหมุนอยู่ตรงนี้นะเข้าหลักศีล ส, สมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์ไปแต่ว่าลําดับขั้นตอนอย่างอื่นก็มีเช่นอย่างท่านไล่ปัฏิยาการเนี่ย คือสิ่งที่อาศัยการเกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันเหตุปัจจัยในโลกเนี่ยเราดูไปแล้วเน่มันเป็นเหมือนระลอกน้ำเหมือนเหมือนเป็นลูกโซ่ลูกแล้วลูกอีกลูกแล้วลูกอีกลูกแล้วล ก, ก่อ ก, ก่อกยืดไปคลื่นในน้ํไว้เช่นเดียวกันเราลองเอาก้อนหินไปโยนตุ้มลงในน้ามัน เพ oui no ิ่มน้ำมันก็เพิ่มก็ตีเป็นคลื่นปับปบปับปับไปจนชนฝั่งอะไรเป็นอะไรเป็นเหตุแรงตกลงไปของก้อนหินนั่นเป็นเหตุเติมก็แทกน้ําน้ํามันก็เพิ่มก็เพิ่มแรกก็กระทบกระทบก็เพิ่มตัวต่อไปขยับตัวต่อไปปับปับปับปับปับ อันนี้เป็นผลแล้วก็เป็นเหตุเป็นเหตุดันตัวนั้นตัวนั้นเป็นผลดันตัวนั้นเป็นเหตุดันตัวนั้นคือเหตุเป็นผลผลเป็นเหตุเหตุเป็นผลผลเป็นเหตุเราพิจารณาอย่างที้เราได้หลักในการพิจารณาในการปฏิบัติทำให้เรามีปัญญาหลักปฏิยาการเราก็พยายามดูเอาไว้อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขาร สังขานเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปมันอาศัยกันเกิดโดยลำดับขั้นแต่เวลาตัญหามันดับมันดับเพิบพร้อมกันหมดเวลามันเกิดมันเกิดเพิบเดียวพร้อมกันหมดสายตันหาเกิดสายตัญหาดับนิโรธวาระสมุทัยวาระนิโรธวาระสมุทัยราวระคือเป็นเหตุตัหาเกิดนุ่นอวิชชามันผลักดันมาเป็นเหตุเกิด สังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหานี่ตัณหาใหม่ตัณหาเก่ามันดันมาแล้วตัณหาใหม่มันเกิดขึ้นมาอีกนี่เราดูมันฉลาดกลไกของมันมันฉลาดมากตัณหาไม่งั้นมันจะมันหมดศูนพันธ์ไปหมดแล้วที่มันอยู่กับเรานานขนาดนี้มันสูนที่ไหนมันแพร่เราระมัดระวังไม่ได้เสริมให้มันอยู่เรื่อยสร้างเพิ่มอยู่เรื่อยเสริมเพิ่มอยู่เรื่อย ส่งเสริมมันอยู่เอยเกิดอยู่เรื่อยเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยมีผลเพิ่มอยู่เรื่อยๆนี่คือหลักปฏิยาการสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันเวลาเวลามันดับตัณหาได้คำว่าดับตัณหาได้ไหมความว่ า, าตัววิชชาตัวนั้นนะมันกลายเป็นวิชชาแล้วจากความมืดบอด ก, กลายเป็นสว่างโปรตัณหา จมาแทรสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับอะไรก็ดับดับดับพะสละพะดับแต่ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นดับตัณหาคือความอยากในใจมันดับตัณหามันดับปฏิยาการก็ยังอยู่เหมือนเดิมปฏิยการยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอันนี้เป็นระบบระบอบที่มันทํางานระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมมันสัมผัสสัมพันธ์กัน เรพิจารณาให้มากเราจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้รู้ที่เกิดขึ้นมารู้ที่ดัำขึ้นมนรู้ที่ตั้งอยู่รู้เงื่อนไขรู้บ่ายรู้วิธีรู้วิธีต่อ ก, ก่อนกับมันยืนแล้วก็ทำได้เดินก็ทําได้นั่งก็ทําได้นอนก็ทําได้นี่คือเรื่องของตัณหาในพุทธิจาท่านท่นทรงพิจารณาพระองค์สเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่บริเวณ พระศีมหาโพลน่ะอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะอาทิตย์แห่งละหนึ่งอาทิตย์เจ็ดแห่งพระองค์ยืนสวยวิมุติสุขไป พ, พักอยู่ตรงนี้สวยวิมุติสุขอยู่นี่เจ็วันไปพักสวยวิมุติสุขอยู่ตรงนี้อยู่บริเวณต้นโพนี่แหละยืนแพ่งต้นโพนี่เจ็ดวันอยู่ในเรือนแก้วพิจารณาพิธรรมเจ็ดวัน อยู่ที่ต้นอะไรต้นจิกหรือต้นอะไรเนี่ยพิจารณาปฏิจจสมุขบาเนี่แหละเจดวันถ้านพิจพิจนาศิ่เหล่านี้ท่านกลั่นกรองกรองความรู้ที่มันเกิดขึ้นในพระไตระปิฎกกรองกรองกรองกรองเวลาพระองค์สอนลูกสอนลูกศิษย์พระองค์ก็เอาอันนี้มาสอนเหมือนกับพระองค์เรียงเอาไว้เหมือนอย่างที่รเรารู้เราเห็นนี่แหละแต่พระองค์ทําเองใครจะไปเรียงให้พระองค์ไม่มีไม่มีใครไปเรียงเอาไว้ ก็ของไม่เคยมีใครสอนไหมพระองค์จึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะสัมมาสัมพุท ธ, ธะเป็นพูทตรัสรู้เองโดยชอบเห็นไหมวันแรกที่อุปกาอุปการชีวกก็ถามเห็นพระองค์เนี่ผิวพันธ์ผ่องใสโอ้ใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านเราเป็นสยามภ <ś> <oyun> ูโอโหเหลือเชื่อชีวก อ, อุปการอุปกาชีวกคนนะั้นเขาเหลือเชื่อ ได้ยินว่าเขาแลบลิ้นปลี่นตาแล้ถุยน้ําลายแล้วเตือนผ่านไปเฉยไม่ได้อะไรเลยอุปการเราเป็นสยามผู้คำว่าสยามผู้แปลว่าเป็นเองพระผู้เป็นเองโอ้โหเป็นเองไม่มีอะไรเป็นครูโอ้ฟังแล้วว่ามันมันถ้าเป็นเราเราเขาว่าโอ้มันฟีลึกเป็นเองโอ้มันเป็นมันเป็นคําที่โตมาก แต่พระองค์มีอจริงทรงไว้จริ ง, ง, รงทั้งหมดเราเป็นเองอุปการะไม่ได้อะไรเลยนะอุปการะนี่แหละเป็นอาชีวะไปไปก็มีนายพรานเขาเลี้ยงเขาถวายอจ่างันถวายอะไรอยู่เรืเอ่อยไปอยู่ใกล้เขาไปอยู่กับบ้านเขา <c oughs> <c oughs> แล้วก็นายพรานนี่ก่ะมีลูกสาวคนหนึ่ง กำลังน่ารักกำลังงามมีอยู่วันหนึ่งนายพรานเขามีธระไปไกลอีกไกลให้ลูกสาวนี่แหละทำอาหารไปถวายทุกวันทุกวันทุกวันอ้าวอุปกาณ์ชีววิชัแตกเสแล้วพอนายพรานคนนี้กลับมาเอ๊ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไ อ, ไอ้ชีววัมารับอาหารเป็นอะไร ไม่เห็นมารับอาหารเป็นไข้ไม่สบายอะไรอย่างงั้นหรือไปดูนอนระเมอเพอพกถึงถึงไอ้ลูกสาวของนายพราน <c oughs> โอ้ <c oughs> นายพรานต้องนายยกลูกสาวให้ <c oughs> ใอุกกปกาสนี่ได้ไปแต่งงานไปอยู่กินด้วยกันพักหนึ่งเออถ้าเผื่อท่านจะศึกมาเป็นลูกเขยเราท่านทําอะไรเป็นบ้างทํานู้นเป็นไม่ทํานี้เป็นทําอะไรไม่เป็นเลย <c oughs> เป็นนักบวชได้อาชีวกเป็นนักบวช ทำอะไรไม่เป็นเลยแล้วก็หาบเนื้อไปขายได้ไหมพอจะหาบพอจะทำได้ไหมเออหาบเนื้อไปขายเนี่ยพอได้ <c ười> ไปยิงสัตว์ไปอะไรก็ไม่เป็นท่นั้นน่ะก็คนมันบวชมานะ่ะอยู่มาด้วยกันมีลูกหนึ่งคนอ ย, อยู่กับลูกสาวนายพรานพอมีลูกหนึ่งคนเขาก็พูดกระแนนะกระแหน่ะงเพราะทำอะไรไม่เป็นธรรมากินไม่เป็น เขาก็กล่อมลูกของเขานาะไอ้ลูกเอ้ยลูกไอ้อะไรทำมากินไม่เป็นเขาทำกล่อมลูกของเขาเนี่มันแทงหัวใจเขาให้อุปการนะที่เป็นทิศอุปการนั่นน่ะโอ้ยมันทิ่มแทงหัวใจทุกระยะทุกวันทุกเวลา น, น, นานเห็น ไ, ไหมนานอนั่นคือโทษของกาลเห็นไหมนั่นแนหะคือโทษของกาลพอมันถึงจุดอิ่มนะนั่นนะ่ะคือโทษของมันนะ ในส่วนนึกนึกถึงอนันตจินอนันตจินคือพระพุทธเจ้านั่นแหละมีการสนทนากันตอนนั้นน่ะที่ว่าพบพระองค์แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยตอนนั้นะนึกถึงไปตามหาท่านนั่นแหละทิ้งลูกทิ้งเมียไปตามหาท่านบวชอีกบวชอีกก็มีไหมมีตำนานว่าได้บรรลุธรรมไหมเราก็ศึกษาน้อยเราไม่เห็นนะโอกายได้ไหมได้เป็นได้บรรลุธรรมไหมมันต้องได้สิคนมีความศรัทธาขนาดเนี้ย ต้องได้ให้เราดูเถอะชีวิตของคนมันผันผวนมันพลิกแผลกมันเปลี่ยนเปลงยังไงเราดูเถอะเขาเราเหมือนกันหมดไม่มีอะไรคงที่ข้อสำคัญว่าเราเป็นตัวของตัวจะเหยียบจะย่างจะก้าวจะกระโดดจะทำนุน้ทนทำนี้จะพลิกแผลงอะไรต่อะไรเนี่ยถ้าขาดการพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเรามักจะเสียท่า ทำยังไงไอ้เจ้าปัญญาเจ้าตัวอับตัวจนที่สุดตอนที่เราจะบหลักได้แล้วภาวนาให้ปัญญาเกิดนะภาวนาให้ปัญญาเกิดแค่ใจสงบเนี่ยมันรู้แล้วอุบายวิธีที่จะมาจัดการกับคดีโลกไม่ต้องพูดถึงคดีธรรมคดีธรรมมันละเอียดอ่อนมากไปกว่านั้นอีกพิจารณาจะแก้ไขยังไงจะจัดการยังไงจะปรับปรุงยังไง มีข้อผิดมีข้อบกพร่องมีข้อผิดพลาดอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไปจากเจ้าตันหาในใจของตัวเองทั้งนั้นอย่าไปหาโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นโทษอะไรก็โทษไม่ถูกเรกต้องโทษตัวเองเจ้าตันหาในหัวใจของเรานี่นี่คือเจ้าคือจองคือตัวจุกจุกจิกจิกทำให้เราได้รับความทุกข์กองทุกข์ทุกข์กีทุกข์กีทุกข์สะระพัดอยู่ในนั้นทั้งหมด ช่วใครเข้ามาได้เพราะมันมีอยู่ที่เราเราไม่มีไม่รู้จักวิธีแก้ไขดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขมันไม่รู้จกักมาดัดแปลงยังไมันจะดีขึ้นความทุกข์ทั้งหลายมันก็นมาทับถมในทนี่สุดนี้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแบบนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมให้เปลี่ยนเราอยู่กับหมู่เราก็ต้อกตั้องย่ทํา เราไปอยู่คนเดียวโดยลําพังที่พักทีอาศัยที่ไหนก็ตามไตั้ง อ, อกตั้งใจทําตอนที่เรามีอารมณ์ส บ, สบายๆเบาๆปลอดปลอโปรถ้ยตั้งให้นิง่งตั้ง อ, อกตั้งใจทําพยายามจุดประกายให้กับตัวเองสักหน่อยหนึ่งสักหน่อยหนึ่งก็อ๋ออาสักหน่อยหนึ่งจะได้อุทานให้กับตัวเองอ๋ออ๋อ ตั้งใจทำทีมันนี้คือบุญไม่ใช่อะไรคือบุญบุญก็คือความดีสังสมอบรมที่ใจบุญนั้นบุญนี้บุญนิดบุญหน่อยบุญทานบุญศีลบุญพูดจาพูดดีดีช่วยยกช่วยหยิบช่วยขวนขวายช่วยนู้นช่วยนี้บุญทั้งนั้นตะล่มาที่ใจมากองอยู่ที่หัวใจของเราบุญเหล่านี้ ทำให้เรามีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาทําให้เราวัยเราการพิจารณารอบรู้ทันอุบายมายาของกิเลสในหัวใจของเราบุญบุญมันเริ่มเกิดมันเริ่มมีมันเริ่มเปลี่ยนมันไม่ตีบตันสําหรับใครใจของคนมันไม่ใช่ใจไม้ดัดแปลงพลิกแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในทุกระยะทุกเวลาผู้ที่จะตั้งเนื้อ ต, ตั้งตัวให้ได้ ไม่สายเกินใครทั้งนั้นไม่มีการสายปะแงปะแงใกล้จะหมดลมแล้วก็ยังไม่สายไปกระซิบที่หูนี่เขาได้สติได้ความรู้สึกขึ้นมาตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาได้พ้นไปได้มีเยอะสมัยพุทธกาลตายพร้อมกับได้บรรลุปเป็นพระอรหรันต์เช่นอย่างพระเจ้าสุโธสนานี่ก็าองค์หนึ่งตายสวรรคตพร้อมกับบรรลุปเป็นพระอรหันต์พอบรรลุ ป, ปั๊บ ไม่หลุดไปเลยเขาเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานกิเลสดับพร้อมทั้งขันดับอนุปาทิเสสนิพานกิเลสดับพร้อมทั้งขันดับประเภทเสมอโดยชีวิตสมศรีเนี่ยเสมอโดยชีวิตหมายความว่าบรรลุพร้อมกับหมดชีวิตเสมอโดยชีวิตดับไปเลย เหลือเวลาสุดท้ายประแงประแงใกล้จะไปแล้วนะดูถูกกันไม่ได้เนพะราะยังเห็นคนป่วยใกล้จะไปเขาไปกระซิบที่หูไม่ใช่เรื่องเล็กหนาะเป็นเรื่องใหญ่นะอย่าหัดทําให้เป็นอืมมันเป็นการไปกระตุกทําให้คนนั้นได้ยัง้งได้คิดได้คล้ครือแน่อะไรท่ออะไรอา้าวเป็นเหตุทําให้เขาไปสู่ที่ดิบที่ดีทําให้ปรารกของเขาเนี่สว่างโรไม่งั้นเกือบมืดตึ๊บแล้วไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแล้ว ใช่หไหมอาศัยคนกระซิบกระซาบนี่แหละเพราะฉะนั้นโบาราณเขาจึงมีบางคนเคยเกี่ยวข้องเคยทำเนี่ยเราดูเะไปบอกไปเตือนไปเขย่าไปนู่นไปนี่บอกทางให้เนี่ยจิตมันยังไม่ไปอะ่ะจิตมันอยู่มันได้ยินร่างกายแข็งทื่อมันก็ไปหมดแล้วอะไรจิตมันยังอยู่มันยังไม่ไปบอกปุบ๊บปั๊บไปเลย แต่การตายของปุถุชนกับการตายของพระอรหันต์เนี่ยต่างกันไม่เหมือนกันพระอรหันต์เนี่ยร่างกายตายก่อนจิตถึงจะไปร่างกายร่างกายตายหมดแล้วจิตถึงจะไปจิตถึงจะออกไปคือร่างกายมันหมดสภาพแต่จิตของปุถุชนนั้นอะ ร่างกายดิ้นอยู่นี่แหละดิ้นพาดพระ อ, อ, อ, อ, อยู่นี่แหละพยันยา ย, ยายมยอมอาจจะเอาจิตไปก่อนแล้วบางคนมีโทษเนี่ยพยายมเอาไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะบางทีบางคนเอาไปก่อนมันรู้ตั้งกี่วันมาแล้วเหลือแต่ซากอยู่เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินลักษณะแบบนี้ วิญญาณจะออกจากร่างไปพระอระหันต์กับปุถุชนไม่เหมือนกันปุถุชนถ้าบุญมากไปสวรรค์ก่อนแล้วอันนี้คอยพแงบแงบแงบตามหลังไปแล้วตะโกนกูไม่ค่อยได้ยินหรอกบางทีปัญญายมจับไปแล้วหนุนไปสับไปแทงและไปต้มไปยำละพญายมจับไปต้มไปยำแต่พระรัชย์เจ้าเนี่ยท่านตายอยู่ กำหนดดูอ้าวตายอ้าตายก็ตา ย, ตา ย, ตา ย, ตายแต่ท่านไม่ได้ไปไหนท่านไม่มีพราไปท่านไม่ต้องไปท่านกระโรของท่านอยู่ mm hmm. เราได้เคยได้ยินได้ฟังมามีเราก็เล่าตามที่เราได้ยินได้ฟังเราเล่าตามหลวงตาหลวงตาท่านเคยถ่ายด้วยอาเจียนด้วยถ้าเป็นเราเราก็ว่า มันหมดแล้ววะเงน้นแต่ไม่หมดแล้วแต่ผู้รู้ยังอยู่จิตที่บริสุทธิ์ยังอยู่หึหึไปแล้วเลยหึไปแล้วเลยยังดำดิได้อยู่หึเลยไปแล้ ว, ลวเอ้าไปก็ไปด้วยเหตุที่ว่าไปก็ไปเนี่ยมันมันทําให้เกิดพลังพื้นขึ้นมาฉันเล่าให้ฟัง ท่านท่านอยู่ที่หนองผือหนองผือนัไนไนไปฉันยาถ่ายถ่ายทั้งทลายยี่สิบห้าครั้งทั้งอายทั้งถ่ายทั้งไอเจียนจนร่างกายมันหมดสภาพมันนู่นมันปเป็นอยู่ในห้องน้ำํำจนเสียจแล้วค ล, ลานออกมาบอกเออให้ไปให้ไปไม่ไปให้ให้ไปไม่ไ ป, ไ ป, ไไปเลยกลับคืนฟื้นคืนคืนมาพอท่านออกมาพระไปเห็นโอ้ แปลกใจเลยมันเหมือนกับมันเหมือนกับไม่ใช่คนแล้วมนะันแปลกใจมากท่านล่าใฟังตอนนั้นตอนท่านกลับไปไปไปหยุดไปที่น้องผืนหลังจากหลวงปู่มัน่นท่านเสียแล้วมั้งไปอยู่ตอนนั้นท่านกลับไปจำพรรษาสามีก็มี น้องผือที่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านมาภาวนาอยู่แถวทุงวทท่งเชื่อกแถวถ้าใหญ่ทุ่งเชื่อกแถวนั้นเจอคนน้องผือเขาเล่าให้ฟังว่าโอ้สองสารน้องผือเนาะพอหมดลงมล้มปู่ไปแล้วเนี่ยเหมือนวัดร้างมันเหมือนวัดร้างมีพระผู้เฒ่ามีพระแก่ๆอยู่สองสมองค์นนะั่นแหะเมื่อก่อนเนี่ยพระพระเต็มวัดเจ็ดสิบองค์แปดสิบองค์ เมื่อก่อนปอลงตาได้ได้ฟังท่านก็นึกถึงบุญคุณของชาวบ้านผือพระเนร์เยอะขนาดนั้นบ้านก็เป็นบ้านนอกเลี้ยงแบบบ้านนอกอปิ้งปลาต้มปลาแจวปลามีผัดมีอะไรกนะั้เลี้ยงพระเจ็ดสิบแปดสิบองค์ได้อลงตาแล้วเห็นแล้วลึกเห็นบุญ เ, เห็นคุณ กลับไปไปอยู่จอมัสายจิต น, น้องผืนอนในนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงการเป็ น, ปนการไปการอยู่พราะจิตข อ, องเราพอร่างกายหมดสภาพแล้วจิตมันก็ไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่แต่มันยังมีภพชาติอีกมันไปหาภพชาติอีก ใครทำคุณสมบัติไว้มากก็ได้ของดีกว่าเดิมใครทำไวน้อยดีก็ไม่ได้เท่าเดิมตกต่ำไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เปตุสุรกายไปเป็นสัตว์นรกขุมนั้นขุมนั้นขุมนั้นก็ได้แล้วแต่มันจะภาเปเราได้ยินได้ฟังบราณอาจารย์สอนมาไม่ให้พวกเราประมาทไม่ให้นิ่งนอนใจไม่ให้ประมาทกับพวกนี้ ปกเกลื่ตันหาอาสวะยิ่งเราเรียนรู้เราเข้าใจแล้วตั้งอกทั้งใจทาไม่อ่อนข้อให้กบมันเพราะอันนี้มันเป็นการสร้างสรร์มันเป็นการสร้างบุญมันเป็นการพัฒนาพบผูกให้กับตัวเราเองถ้าใครมองไม่เห็นตรงนี้ดีไม่ดีได้ไม่เท่าเดิมไม่เหลือสมบัติความเป็นมนุษย์บางคนไม่ค่อยเห็นไม่เหลือคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ มันก็ไปเกิดในอาบายซะเป็นสัตว์เดรจฉานเป็นเปรตเปสรกเป็นสุรกายคำสอนสอนพวกเราไว้หมดพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปถือตามพระาไตามปฏิบัติตาม <c oughs> มีใครจะ คุยสนทนาที่เราสวดมาแล้วเราพูดต้มเติมมานี่บ้างก็ได้สัยหนึ่งจะพานั่งภาวนาภาวนาเสร็จออกมาจะพาสวดอีกสวดอีกพูดอีกจบพอดีแป๊บเดียวเดียวพอเราถึงสิบสองแล้วเสียดายหมดแล้วเสียดายนะหรืออาจจะต่อให้อีกก็ได้ ฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอามีไหมฮะเลยทะลุเข้าซ้ายทะลุขวาไปแล้วละเหยไปข้างหลังทั้งหมดน่ะนู่นออกไปตามประตูเราไม่สนใจหรอก สนใจแต่จิตของเราจ่ออยู่นั้นแหละมันต้องได้เอาต่อไปนั่งภาวนานั่งภาวนาหนาะอย่านั่งสับประกต้องอดต้องทนนะสู้เวทนาก็ต้องสู้เออเดี๋ยวเดียเีย ว, ยวแนะวิธีสู้เวทนาวิธีสู้เวทนาก็คือเอาจิตผู้รู้เราเนะี่ยจ่อไปใส่เวทนาเลย จะว่าพุทโธก็ได้พุทโธจอ่อพุทโธจอ่อเอาผู้รูเราจิ้มไปอยู่ตรงไอ้ตรงที่มันเจ็บมันปวดย้ยให้ความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราวปวดเป็นเขาปวดเป็นใครปวดอาศัยสติสัจจะว่าระลึกรู้อันนี้คือหลักมหาสติเป็นหลักที่เอามาพิจารณาดูไปที่เวทนาแล้วก็ดูมาที่จิตดูมาที่จิตดูไปที่เวทนา คือการกําหนดกําหนดรู้กําหนดดนะูเอาผู้รู้เน่ยดูดูข้างไหนดูไปที่เวทนาจะปวดหัวเขาจะปวดเอวจะปวดตรงไหนก็แล้วแต่กําหนดจอยยึบเข้าไปอยู่ตรงที่มันปวดเลยให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับผู้รู้เราเนี่ยอดูสังเกตมาดูที่จิตของเรามันยินดีไหมมันยินร้ายไหมยินร้ายก็คือมันไม่ชอบใจนั่น ถ้าปล่อยให้มันกินร้ายได้ใช่แสดงว่าตัณหาแทรกแล้วถ้าตัณหาแทรกปั๊บจะทําให้เรายินดียินร้ายถ้าตัณหาไม่แทรกสักดิ์บอกมีสติระลึกรู้นั่งนานเท่าไหร่ก็ได้นั่งทิ้งไปเลยก็ได้ไม่ปล่อยให้ตัณหามันมามายึดเมื่อไม่มีตัณหามากเกาะอุปาทานมันก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีคําว่าเรา ไม่ใช่เราเวทนาก็คือเวทนาไม่ใช่เรามันเป็นอาการอีกอย่างหนึ่งตั้งหากายก็คือกายไม่ใช่เรากายคือกายนะไม่ใช่เรานะถ้าให้ดูให้เห็นสักตั้ไแร่บัรกายไม่ใช่สักไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเวทนาคือเหมือนกันแต่ว่าตัณหามันมักจะแทรกเข้ามากายเรากายเรากายเราดูให้ทันมันเวทนาเหมือนกันนั่งนานๆก็ปวด อ ย, อย่าให้ตันหามันแทรกเข้ามาว่าเราปวดเราปวด mm. เห็นสักจะว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา mm. ดูให้เกิดความรู้ที่บริสุทธิ์ตรงนี้แล้วก็สลับขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปฏิกายว่ามาที่เวทนาบ้างมาที่จิตบ้างดูความยินดีที่จิตดูความยินร้ายที่จิตยินได้กับเวทนาเนี่ยนะ เดี๋ยวสัหน่อยเดียวได้เจอได้ได้เจอเจ้าตัวดีละเดี๋ยวได้เจอเจ้าตัวดีแน่ๆออกมาแล้วปั๊บมันสัมผัสกันมันปะทะกันนี่วิธีวิธีสู้เวทนาเราได้วิธีนี้เท่ากับเราได้วิธีสู้เวทนานั่งได้ทั้งคืนนั่งท่าเดียวเนี่ยนั่งทิ้งไปเลยนั่งตลอดรุ่งนั่งได้นั่งสู้ได้ เจริญนี้เจริหลักอันนี้แหละแต่ในขณะเดียวกันช่วงไหนเหมาะเราก็เอาใจพุทโธอย่างเดียวให้มันแนบนั่นอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุโธพอจิตรู้สึกว่ามีสมาธิมีพลังสัหน่อยแล้วก็มากําหนดแต่เราจะพิจารณาความสุขเนี่ยมันพิจารณายากมันจับยากมันเกาะยากเพราะความสุขในกายของเราเนี่ยมันไม่ต้องทนเหมือนความทุกข์ต้อเป็นความเจ็บความปวด เราต้องทนต้องอดต้องทนต้องฝ่าต้องฝืนแ ต, ต่ถ้าเป็นความสุขสบายเดี๋ยวก็นิวรณ์มาครอบแล้วแต่ถ้าหากเราหัดพิจารณาทุกขเวทนาจนคล่องจนชินเราสามารถพิจารณาสุขเวทนาได้สุขก็เป็นเวทนาทุก็เป็นเวทนาแต่ ม, มันพิจารณายากความสุขแต่ถ้าเราพิจารณาทุกจนคล่องแล้วเนี่ยความสุขเราก็ดูได้สุขเราก็รู้ทุกเราก็รู้ จอพิจารณาดูอยู่นี่แหละเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ตันหามันมาแสงมาแทรกมาแสงมายึดยึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราและมันมีโอกาสที่จะเจอหน้าเจอตามันมีโอกาสที่จะเจอได้มีการมีโอกาสที่จะปะทะได้มีโอกาสที่จะ ป, ะะก า, จะ ป, ปากกันได้พับว้าเหมือนน้าเต็มถุงเต็มถุงน่ยเทโว หรือแต่ถุงแฟรจริยนิสัยของเรามัก็จะเริ่มปรับปรับไปอย่างนี้แหละความงอความมืดความทึบอะไรในหัวใจของเรามาันจะเริ่มปรับไปอย่างนี้แหละงานตรงนี้จึงเป็นงานใช้สมรภูมิจริงๆตั้งใจฝึกตั้งใจทําถ้าเราไม่มาตรงนี้เราหลงทางง่ายๆนะ ยิ่งพูดถึงเรื่องนิมมงศ์นิมิตเอ่ยอะไรต่อะไรเอ่ยเกิดผุดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้เอะไรต่อะไรเอ่ยมันรู้อะไรสวมรอยมายิ่งไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เลยแล้วเนี่ยห่างมากห่างช่องทางที่เราจะต่อกกันกับเจ้าตัวร้ายในใจของเรามันพาเรายึดนุ่นยืดอะไรต่ออะไรสารพัดมันไม่ให้เรารู้ตัวหรอกหลงเคลิ้มไปกับมัน จึงน่ากลัวน่ากลัวที่สุดในตัวนั้นอ่ะอ่าเอาละได้วิธีสู้เวทนาย่อยาะทำเอาก็แล้วกันแหละดีไม่ดีติดใจกลับไปนี้ไปนั่งไปอีกจนสว่างโอ้โหยกใครทำได้พรุ่งนี้มาบอกก็แล้วกันให้รางวัลอ่ะ <laughs> เนี้เหลือเวลาอีกเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเกืินครึ่งนิดหน่อยนิดหน่อยเองเรานั่งภาวนาเราไม่อยากหันไปโน้นเราจะเห็นงอกงอกงองอกเรามานั่งงอกงอกเองดีกว่าเอาไปตั้งใจนะพูดหัวเนี่ยไม่ใช่พาทาเล่นนะ ดับเครื่องขยายก่อนก็นได้เสียงเสียงดับเครื่องขยายก่อนก็นได้มันไม่หายเสียงอา่อาอ้าวตอนนี้ภาวนาเนี่ยเนี่เห็นไหมวันนี้อันนั้นหมอดไปเหลือแต่เสียงกบเสียงเขียดแล้วตอนนี้<ม>ระวังเสียงกบเสียงเขียดข้างในกันแล้วกันแหละ